a m t Talk สวัสดีค่ะผู้บังคับตอนรับเข้าสู่ RMT Talk ค่ะวันนี้นะคะเจอกันในชั้นอาทิตยาประธานนางรับหน้าที่ในการดําเนินรายการนะคะเรื่องราวประเด็นที่เราจะมาคุยกันในรายการวันนี้ค่ะเป็นการจัดกิจกรรมราชมงคลตรังเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลดพุงลดโรคนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรังจัดทําขึ้นวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกิติพงศ์สนิทปูหัวหน้างานบริหารกริจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรังอยู่ในสายก เราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติพงศ์คะสวัสดีครับผมกิติพงศ์ชนิดผู่ครับค่ ะ, ค, ะคุณกิติพงศ์คะก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะมาพูดคุยถึงการจัดกิจกรรมกันนะคะราชมงคลตรังเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลดพุงลดโรคนะคะอยากให้อธิบายถึงที่มาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กันก่อนค่ะครับผมในส่วนของที่มานะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังได้ประหนักได้เห็นความสําคัญข อ, ของการออกกําลังกายในการเล่นกีฬาของนักศึกษา บุคลากรและประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเห็นว่ามีผู้สนใจเห็นความสําคัญกับกิจกรรมเหล่านี้เป็นจานวนมากทั้งนี้การออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นส่วนในการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งในด้านร่างกายสังคมอารมณ์และก็สติปัญญาครับสําหรับในส่วนของวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาช น, นทั่วไปได้หันมาออกกำลังกายและสนับสิ่งประโยชน์ของการออกกำลังกายครับค่ะแล้วในงานนี้เรามีความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างคะสําหรับหน่วยงานที่ให้ความสนับให้ความสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยนะครับก็เป็นออกเป็น2หน่วยงานหลักด้วยกันก็คือหน่วยงานภายในมหาวิายทยาลัยก็คือในส่วนของสํานักงานวิจัยกลางซึ่งเป็นแม่หลักในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมงวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิาวกรรมศาสตร์หรือทคโบริษัสถาบันวิจัยและพัฒนาส่วนกั้งสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกครั้งในส่วนของหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนนั้นได้แก่โรงพยาบาลพิจิตรจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ฝ่าอำเภอพิจิารจังหวัดตรังและ งานนี้จะเป็นต่างๆมีนสงบครับครับนะคะงานนี้นะคะอย่างที่เราได้บอกกันไปว่าจัดขึ้นที่ตรังนะคะอยากให้คุณกิติพงศ์แนะนํากันก่อนนะคะว่าเส้นทางในการเดินวิ่งครั้งนี้นะคะเรามีเส้นทางอะไรบ้างแล้วก็จะจัดขึ้นในวันเวลาอสถานที่จัดงานบริเวณใดค่ะครับครับผมสําหรับการจัดกิจกรรมและชมคลตรังเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลดปูลดโรคครั้งที่หนึ่งนะครับเราจัดขึ้นในวันพุธที่สิบสามพันวาคมสองพหกสิบเ นักเรียนภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและชุมชนศรีไทยิ่งเดชรโดยแบ่งออกเป็นรุ่นต claro> ่างๆนะครับแต่รุ่นด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือรุ่นนักเรียนนักศึกษาอายุสิบห้าสิบสองถึงยี่สิบห้าปีชายรุ่นทีสองรุ่นนักเรียนนักศึกษาอายุสิบสองถึงยี่สิ้าปีหญิงรุ่นทีสารุ่นบุคคลทั่วไปอายุไม่เกินสาิหปีชายรุ่นทีสี่รุ่นบุคคลทั่วไปอายุไม่เกินสามสิห้าปีหญิงรุ่นปีห้รุ่นบุคคลทั่วไปอายุสามสิบ รุ่นที่หรุ่นบุคคลทั่วไปอายุสามสิบหกถึงสี่สิบห้าปีดีรุ่นที่เจ็ดรุ่นบุคคลทั่วไปอายุสี่สิบกปีขึ้นไปตายและรุน่นสุดท้ายรุ่นที่แปดรุ่นบุคคลทั่วไปอายุสี่สิบกปีขึ้นขึ้นไปประเภทหน่งครับออืนะคะสําหรับเส้นทางครับผมสําหรับเส้นทางในการวิ่งนะครับเราเริ่มปล่อยตัวนักกีฬาตั้งแต่เวลาสิบเ็ดนาฬิกาบริเวณสนามทพิณากลางภายในมหาวิทยลาลัยวิ่งไปยังไาหาดรัฐมงคลครับป่าที่พิษภัณฑ์ตักนม้มรัฐมงคล ถึงประสาท ก, การกายหาราชมงคลและวิ่งกลับมายังสนามกีฬากลารารวมระยะทางประมาณ5กิโลเมตรครับการวิ่งนะครับราจะบอกได้วเวลาประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงก็น่าจะเสร็จนะครับสําหรับผู้ที่ชนะเลือกในอันดับหนึ่งสองสามนะครับแต่ได้รับช้วยรางวัลจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีชัยแต่ผู้ที่เข้าร่วมเส้นชัยจะได้รับเกียรติบัตรทุกๆคนรวมทั้งมีการจับสลา ก, ากามอบของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และตอนเย็นหลังจากเสร็จสิ้นแล้วมีการรับประกันอาหารเย็นร่วมกันพร้อมรับชมการแสดงและดนตรีของนักศึกษาและชมรมต่างครับค่ะสําหรับการสมัครในครั้งนี้ค่ะคุณกิติพงศ์มีค่าบริการค่าสมัครไหมคะค่าสมัครค่าสมัครเนี่ยฟรีครับแต่สําหรับผู้ที่สนใจจะรับเพื่อที่ระลึกจำนวนเงินสองร้อยบาทครับ ถ้าใครสนใจที่อยากจะได้รับเสื้อเป็นเชิญ ล, ลึกในการจัดงานครั้งนี้ด้วยก็จะมีราคาอยู่ที่ตัวละ200บาทนะคะครับผมค่ะคและในเรื่องของการอำนวยความสะดวกราคาเราเห็นกิจกรรมการเดินวิ่งในหลายๆพื้นที่เนี่ยเขาก็ต้องมีจัดซุ้มอะไรต่างๆในการดูแลนักกีฬานะคะทางด้านของทีมจัดงานเองแหะคะการอำนวยความสะดวกของเราเป็นยังไงบ้างคะ่ะสําหรับการจัดกิจกรรมในคั้งนี้นะครับผู้จัดงานได้เตรียมในส่วนของ รถพยาบาลถูกเตือนไว้บริการตลอดเส้นทางการวิ่งรวมทั้งสูดบริการน้ําดื่มระหว่างทางและจากสถานที่จอดรถไว้ให้สับคู่เข้าร่วม ง, งานทุกๆคนครับแต่สำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเดินทางมาต้อนกันตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะครับเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลนยีราชมงคลสีน้ำยุพธภูิเสตกลางครับ ค, บค่ะส่วนการเดินทางมาร่วมงานลาะคาเส้นทางในการเดินทางสามารถไปทางเส้นทางไหนได้บ้างคะ เส้นทางในการเดินทางในส่วนของมหาวิทยาลัยลเทคโนโลยีราชมงคลศีวิชัยนะครับก็ห่างจากตัวเมืองประมาณสามสิกิโลเมตรนะครับแค่เส้นทางดากอำเภอสิตเตามาตางจากสถานที่ ต, งงาาททต้องเที่ยวเส้นหาดราชมงคลหรือว่าหาดสาเกิยงครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตรังครับอ่านะฮะสุดท้ายนี้ค่ะผู้ที่สนใจรับฟังอยู่และอยากร่วมกิจกรรมนะคะราชมงคลตรังเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลดพุงลดโรคสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ ครับผมสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับเฟซมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิทยาวิทยาเขตตรังหรือติดต่อได้ที่งานบริหารกิจการวิทยาศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตตรังโทร0752040578ครับ่านะคะตามเบอร์ที่ว่ามานี้เลยนะคะสุดท้ายค่ะคุณจิ <นำ S 1> พงค์คะในฐานะที่เป็นแม่ ง, งานเองในการจัดงานในครั้งนี้นะคะอยากให้ได้เชิญชวนผู้ฟังในการเข้าร่วมกิจกรรมการสักนิดนึงค่ะ ผมก็เรียนเชิญผู้ฟังทุกๆท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรมด้าชมวงคนกลางเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลดปุ่มลดโรคครั้งที่หนึ่งนะครับในวันพัหัสบุบดีที่13ธันวาคมนี้นะครับและในส่วนของจังหวัดกลางเรายินดีต้อนรับทุกคนครับ วันนี้นะคะต้องขอคบคุณค่ะคุณกิติพงศ์สนิทปูหัวหน้างานบริหารกิจการนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ช, ชัยตรังนะคะซึ่งให้เกียรติในการมาพูดคุยแนะนํากิจกรรมราชมงคลตรังเดินวิ่งเพื่อสุขภาพลดผุงลดโรคนะคะ13ธันวาคมนี้รเริ่ม17นาฬกาในเส้นทาง5กิเมตรเลียบชายหาดราชมงคลค่ะขอคบคุณมากมเลยค่ะคุณกิติพงศ์คะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือเรื่องราวกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่างานนี้ฟรีนะคะสำหรับใครที่เป็นนักกีฬาเดินวิ่งนะคะอยากจะ เข้าร่วมนะฮะเพื่อสุขภาพของเราเองนะคะลดพุงลดโรคแล้วก็ต้องย้ําเลยว่าทีมจัดงานเนี่ยเขามีการเตรียมความพร้อมอย่างแน่นอนนะคะไม่ได้มีกรณีอย่างที่เคยเกิดขึ้นแน่ๆนะคะแล้วก็มีทีมพยาบาลดูแลตลอดเส้นทางเลยนะคะไปลองวิ่งกันแล้วก็ชมธรรมชาติกันนะคะติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยตรังค่ะและนี่คือเรื่องราวในวันนี้กับ rmut talk นะคะติดตามรับฟังรายการกันต่อกับรายการจากราชมงคลค่ะ